ฉันมองไปข้างหน้ามือกุมกุญแจเตรียมบิดสตาร์ทแต่รู้สึกหนืดไปทั้งตัวชอบกลย้อนคิดถึงยิ้มเ ก, กรียมและเสียงเอะอะแบบอันพานจะพูนธนาให้คนทั้งตลาดรู้ว่าฉันจะโกงเงินทั้งที่ถ้าลืมจ่ายก็พูดกันดีๆได้แล้วเกิดอาการแข้นแน่นอกจนหน้าเขียวเข็นเคี้ยวเขี้ยวฟันร่ำๆจะเปิดประตูย้อนลงไปฉักกับมันซะหน่อย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 แล้วจะต้องหายลับดับสลายลงเป็นธรรมดาเช่นกันแค่คิดเช่นนั้นใจก็ให้อภัยพ่อ้าหมูหน้าดานได้แบบชนิดเปิดโล่งสุดๆโ ส, สมนัสแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึงกับยิ้มกว้างออกมาอย่างตีติที่เมื่อครู่ฉันยังย้อนคิดแล้วแล้วเล่าๆไม่เลิกส่วนหนึ่งก็เพราะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองยังโกรธได้ยางทุกข์เพราะกระทบได้นั่นเอง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 ว่าปีติจะแผลงฤทธิ์ผลิตความคิดได้พิสดารสักเพียงใด